ทรงบัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเราจะบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายโดยอาศัยอํานาจประโยชน์10ประการคือ 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์เเพื่อความตั้งมั่นแห่งสรัทธราสิบเพื่อเอื้อเฟื้อวินยัยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลาย